จเจริญพรทุกๆท่านหรวงพ่อไม่ได้เข้ามาที่นี่เกือบสี่สิบปีแล้วได้แต่เรียนจบเป็นราศศาตราตรีวิสโะจบแล้วก็ไปทำงานเขาชุมนุมศิษย์เก่าเขาไม่ได้มาชุมนุมนรอกชี้เกจินเล้า ดูจุฬาก็เปลี่ยนไปเยอะนะยู่เป็นเครื่องแบบยั ง, ยงเหมือนเดิมหลวงพ่อก็ตะเวนไปเทศทั้งในเมืองไทยเมืองนอกนะหลังๆเนี่ยพบความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงมีมากแต่ก่อนนี้เราเข้าวัดกันนะเข้าไปนั่งสมาธิอย่างมากก็ไปนั่งสมาธิ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 เราสามารถยกระดับจิตใจของเราขึ้นไปยิ่งแก่นะยิ่งฝึกมานานนะยิ่งแก่ยิ่งเบิกบานแจ่มใสคนในโลกเขาแก่แล้วเฉาเฉาเกี่ยวเฉาเศร้าใจลูกหลานทอดทิ้งอะไรนะียถ้าเราภาวนาะไม่มีคำว่าเหงาเลยคำว่าเหงาเนี่ยไม่อยู่ในสาระบบเลยคำว่าเศร้าใจเสียใจไม่อยู่ในสาระร บ, บเลยใจเรามันอิ่มใจเรามันเต็ม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 อย่างโกรธขึ้นมาก็ไปทําร้ายเขาได้ไปลักทรัพย์เขาได้ไปแกล้งผิดรูปผิดเมียเขาได้ไปใส่ร้ายป้ายสีเขาก็ได้ไปแกล้งยกย่องเขาก็ได้นะแกล้งชมให้มันเสียคนไปเลยอันนี้ก็มมสาวาดเหมือนกันเลยกลุ้มใจขึ้นมาก็ไปกินเหล้าเนื้อโทสะตัวเดียวก็ผิดศีลห้าได้หมดนะมีโลภะตัวเดียวก็ผิดศีลห้าได้หมดเหมือนเหมือนกันคนทาผิดศีลได้เพราะกิเลสมันรุนแรงมันครอบงําใจได้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 มันมีวิธีที่จะรักษาศีลได้สูงกว่านี้คือคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดขึ้นพระหลวงพ่อบอกแล้วนี่ว่าคนเราทำผิดศีนลนะเพราะกิเลสมันครอบงําใจกิเลสเนี่ยมันแ ป, ปลกอย่างหนึง่งถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันมันเครื่องมือในการรู้ทันกิเลสที่กาลังเกิดขึ้นนะเรียกว่าสติสติเป็นตัวรู้ทันสภาวะของรูปธรรมนามธรรม ท, ที่กาลังปรากฏขึ้น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 สติเป็นตัวรู้ทันพวเรารู้จักโกรธไหมรู้จักใช่มโกรธอย่างเราจะข้ามถนนนะคนมันไม่ยอมจอดให้เราข้ามทั้งๆ ท, ที่มันเป็นไฟแดงด้วยเป็นทางม้าลายด้วยไม่ยอมเวลาเราโกรธสังเกตไหมทุกคราวที่เราโกรธเนะ่เราจะไปดูไอ้คนที่เราทำให้เราโกรธหรือเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราใ่เราโกรธ พอโกรธเราจะไปดูไอ้คนที่ขับรถปาดเราเมื่อนอนมันหนีไปน่นเดี๋ยวต้องขับตามไปปาดคืนนี่เวลาความโกรธเกิดขึ้น่เราไม่รู้ว่าความโกรธกํลาลังเกิดเรามัวแต่ดูไอ้คนที่ทําให้เราโกรธอยนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้ามีสติก็รู้ทันว่าตอนนี้กําลังโกรธอยู่หรือเห็นสาวสวยเดินมาสาวสวยเดินมาใจเราชอบใจเราเกิดราคะเราชอบเพขา เวลาเราชอบใครสักคนเราก็จะคอยมองเขาคอยเดินตามดูเขานะบ้านอยู่ไหนอะไรเนี้ยนะจะขอเบอร์โทรศัพท์จะทํำยังไงนะถ้าแรกไลายได้ก็จะดีอะไรอย่างงี้นะขนาดนั้นเวลาที่ราคาเกิดเนี้ยเราสนใจที่สาวคนนั้นนะเราไม่รู้ว่าราคะความรักความใคร่ความต้องการเนี่ยเกิดขึ้นในใจตัวเองเห็นไหมเวลาที่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 ถ้าเราไปเดินเห็นนี่นี่ก็อยากได้เห็นนี้นี่ก็อยากได้ เ, นนไดเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งใจเราจะไปอยู่ที่นั้นเขามี iPhone 6มี S มีอะไรออกมาอีกนะอยากได้อะไรรุ่นใหม่หมดอยากได้หมดเลยขนาดที่เราสนใจวัตถุสิ่งของอนะันนั้นใจเราไปอยู่ที่ของเราไม่เห็นว่าใจกำลังอยากได้เนี่ยเราลองกลับข้างนะแทนที่จะปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจ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 เพราะเมื่อะไรมีสติเมื่อ น, นั้นไม่มีกิเลสท่านใดที่โลภแต่มีสติรู้ว่าโลภขณะนั้นความโลภจะดับอัตโนมัติเพราะว่าที่ใดมีสติที่นั้นไม่มีกิเลส น, นี่เป็นกฎของธรรมะเลยนี่กฎของธรรมะเหล่านี้แหละที่พระเจ้าท่านคนพบนะท่านคนพบธรรมะจานวนมากคือกฎความจริงจํานวนมากเลยโดยเฉพาะความจริงในด้านจิตใจนะทุกวันนี้เราลาเลยนะน่าเสียดายมากเลย สาตร์ที่ผู้ทีเช้าคนพบเนี่ยอัศจรรย์มากเลยในทางโลกหลวงพ่อเขาเรียนหนังสือเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าพอมาพอนาแล้วก็รู้เลยว่าความรู้ทางโลกนะความรู้ท่วมหัวหตัวไม่รอดหรอกยังไงก็ทูกอีกไอ้ความรู้ที่ผู้ทีเช้าสอนนะมันทําให้เราเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นนะแต่เดิมเราไม่อิสระเพราะเราถูกความโกรธครอบงําเราไม่อิสระเพราะถูกความโลภครอบงำ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 สุดท้ายมันก็ถูกกิเลสบังคับมันตกเป็นทาตโดยที่ไม่รู้ตัวเป็นทาตนะมนน่าสงสารตัวนีนะ้ถ้าเราเป็นทาตอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ว เ, เราไม่รู้ว่าเราเป็นทาตนะุเราจะไม่มีวันเป็นอิสระได้เลยเราเป็นทาตของกิเลสนี่แหละมันสั่งเราทั้งวันนะสั่งให้โกรธเราก็โกรธนะโกรธแล้วก็สั่งให้ไปด่าเขาไปตีเขาไปทําร้ายเขาก็ทําได้เราเป็นทาตของความโลภอยากได้นอนได้เนนะ่ก็ไปแย่งชิงเขาไปหลอกลวงเขาทําอะไรได้สารพัดเลย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 แม้คำถามของหลวงพ่อกลับข้างนะหลวงพ่อจะทดสอบว่าหลับไปหรื อ, อยังสรุปว่ายังไม่หลับใช้ได้นะกฎเราก็รู้จักรอบเราก็รู้จักใช่ไมรู้จักใจลอยไหมรู้จักฟุ้งซ่านไหมเน่ตระกูลหลงตระกูลหลงนะใจลอยฟุ้งซ่านนะเรารู้จักกิเลสนานาชนิดอยู่แล้ว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 อย่างความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าโกรธความโกรธดับเน่ยเราจะไปทำร้ายเขาเหรอมันก็ไม่ทำร้ายแล้วนะความรลบเกิดขึ้นเรารู้ทันแล้วเนี่ยเราจะไปหลอกลวงสาวมาทำไม ก, กิเลสเกิดเราเห็นสจแล้วมันดับไปแล้วนั่นเราจะปลดปล่อยตัวเองนะจากอานาจของกิเลสราจะเป็นอิสระมากขึ้นละศีลนะเมืองต้นเป็นการข่มใจไม่ยอมทำตามกิเลส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 กิเลสตัวกลางนี่เขาเรียกมีชื่อเรียกเทคนิคเข้าิมเรียกว่านิมอนใครเข้าวัดเข้าฟังธรรมะอะไรคงเคยได้ยินธรว่านิมอนรู้จักไหมนิวอเครื่องกัน้นกั้นอะไรกั้นจิตจากสมาธิการจิตนิมอนเนี่ยเป็นกิเลสเหมือนกันแต่เป็นกิเลสที่เบาบางไม่รุนแรงมือหวาเหมือนความโลบความโกรธความหล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 ฟุ้งไปแล้วก็เกิดสงสัยเกิดอะไรขึ้นมานะถ้าไม่ฟุ้งไม่สงสัยหรอกนะเวลาที่เราสงสัยนะตามหลังความคิดมาทุกทีละความสงสัยทั้งหลายตามหลังความคิดมาทั้งนั้นนะถ้าใจไม่หลงไปไม่ไม่ฟุ้งซ่านไปนะความลังเลยสงสัยไม่มีหรอกนะหรือเวลาที่ใจเราฟุ้งมากๆนะถัดจากเวลาที่ใจฟุง้งซ่านมากๆแล้วใจจะซึม พวกเรานืกสภาพออกไหมเวลาที่เราเกิดโทสะแรงๆนะเมื่อโทสะแรงๆผ่านไปแล้วเนี้ยใจเราป่อแปรไปช่วงหนึ่งนะไม่มีเรื่องมีแรงะหรือเวลาที่เรามีราคะแรงๆนะพอราคะแรงๆผ่านไปนะใจเราก็ซึมๆแนละไม่มีเรื่องมีแรงสิ่งเหล่านี้มันเป็นสภาวะที่ใจมันฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านไปนานาชนิดฟุ้งซ่านไปนานารูปแบบหนอาศัยอะไรไปสู้กับมันนะ่ะ ในตำราบอกใช้สมาธิไปสู้กับมันสู้กับความฟุ้งซ่านสมาธิเลยเป็นเครื่องมือสู้กับนิวรณ์วิธีสู้กับนิวรณ์นี้มันทําได้2แบบสําหรับคนที่ทรงฌานก็เข้าฌานเลยแล้วอาศัยองฌานเนี่ยไปข่มนิวรณ์ทั้ง5เมื่อจิตไม่มีนิวรณ์นะเมื่อจิตไม่มี่นิวรณ์สมาธิก็ยิ่งมัน่นคงขึ้นมัน่นคงขึ้นคืออาศัยสมาธิไปข่มนิวรณ์ จิตก็สงบสบายนี่เป็นวิธีหนึ่งนะสำหรับคนซึ่งเล่นชนันแต่หน้าตาพวกเราเนี่ยเข้าชาญยากหน้าตาพวกเราโง่เหงง่ายเลยว่าภุงซ้านเก่งนะฟุ้งซานเป็นอาชีพนะนะวันวันหนึ่งมีกระทบอารมณ์รุนแรงทั้งวันนะทุกวันนี้เวลาเรานั่งรถไปไนี่ก็ป้ายโฆษณานั่นก็มีนโน่นอันนี้ให้ดูตลอดเวลาเลย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 ถ้าท่านไปสอนในชาติศัตรูให้เข้าฌานนะเข้าไม่ไหวเนี่ยท่านให้สอนให้รู้ทันรู้ทันใจที่ฟุง้งซ่านรู้ทันนิวรณ์นั่นเองนะเอาตัวเดียวก็พอนิวณ์มีห้าตัวนะเอาความฟุงนะ้งซ่านเนี่แหะถ้าไม่ฟุ้งสติอย่างเดียวตัวอื่นไม่มาล้วรู้จักไหมฟุง้งซ่านหลวงพ่อจะพาให้ดูต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะห้ามพวกเราคิดห้ามคิดนะอา้าวเริ่ม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 อย่างนี้จะให้เขาไปต่อสู้แย่งชิงฟาดฟันกับคนอื่นนะไปทํำร้ายคนอื่นนะแค่นี้เขาก็ไม่เอาละแต่ถ้าถึงขนาดเห็นอริยสัจได้นะโอใจมันจะพ้นทุกต่อหน้า ต, ตาเลยอศัศจรรย์มากเลยนะทำไงจะรู้อริยสัจพวกเรารู้จักแม่อริยสัจ ร, รู้จักแม้ทุกสมูทายนี่รอดมรรคอะไรเรียกว่าทุกบอกความแก่ความเจ็บความตายเใช่ไหม ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รกัก <Jub il> ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้ น, น, นความโศกความร่ําไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจนี่คือเป็นทุกข์แต่สิ่งนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นแค่อาการปรากฏของทุกข์ดังนั้นเองมันเป็นอาการของปรากฏของทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นอาการปรากฏของทุกข์คือปรากฏของกาย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 ทำยังไงเราจะสามารถเห็นได้ว่ากายนี้คือทุกขล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปทำยงไงเราจะสามารถเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกขล้วนๆ น, นะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่เราเห็นทุกวันนีนะ้วิธีที่จะเห็นเนี่ยคือหัดรู้มันบ่อยๆดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นเราทาตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการเป็น observer นะ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 พวกเราลองหายใจเข้านะาให้ยาวที่สุดในชีวิตเลยแล้วดูว่าทุกไม่ทุกลองดูสิหายใจเข้าไปไม่ไหวล้วก็หายใจออกหายใจออกไปให้ยาวที่สุดเลยนะอย่าหายใจเข้านะเอาให้ยาวสุดในชีวิตเลยหายใจออกไปทุกไหมทำไมเราต้องหายใจเข้าทำไมต้องหายใจออกหายใจเพื่อแก้ทุกข์ด้วยนะนั้นจริงๆแล้วหายใจเข้าก็ถูกนะหายใจออกก็ถูกนะ าหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกไม่มีช่องให้สุขหละนั่งอยู่ทุกไหมนั่งอยู่ก็ต้องขยับใช่ไหมยืนอยู่ก็ทุกนอนทุกไหมนอนคืนหนึ่งพลิกกี่ครั้งรู้ไหมไม่รู้เลยฝึกนะัะฝึกสตินะเราจะรู้คืนหนึ่งพลิกสาสิบสี่สิบครั้งเยอะนะเพราะอะไรเพราะมันทุกความทุกเนี่ยอิริยาบทการเปลียนอริยาบทนะมันปิดบังความทุกในร่างกายของเรา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 นะอยากมีหลานอยากมีเงินอยากมีทุกสิ่งทุกยอย่างมีตําแหน่งมีชื่อเสียงคิดว่าถ้ามีอย่างนี้แล้วจะมีความสุขคิดว่ามีแล้วมีความสุขนะเวลาเสียไปก็เสียใจเวลาไม่ได้มาอยากได้แล้วไม่ได้มาก็เสียใจเป็นทุกข์นะี่อาการปรากฏของมันเลยนะเวลาพลาดัดพลาดจากสิ่งที่รักก็ทุกเวลาเจอสิ่งที่ไม่รักก็ทุกอยากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากก็เป็นทุกขนะ์อนะไเนี่ยแต่ถ้าเราสังเกตที่ใจเราให้ดีเราดิ้นรนแทบเป็นแทบตายนะ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 กำลังจะมาอวดเพื่อนที่คณะมาถือก็ควักออกมาเขาก็มีเหมือนกันนะใจเราก็แป้วลงไปหน่อยหนึ่งแล้วนะเขามีเหมือนเราอ่ะแล้วเขาบอกเนี่ยเขาซื้อมาเก้าันห้าแล้วตกสวรรค์ดันดีเลยนะเราซื้อมาหมื่นหนึ่งเขาซื้อมาเก00นห้านะแล้วจ๋อยเลยกลับบ้านเน่นะนอนกลุ้มใจเลยกลุ้มกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยความสุขเนี่ยสั้นนิดเดียวนึกออกไหมความสุขสั้นนิดเดียวใครเคยเล่นแชฉบ้าง มีไหมแต่ก่อนเขาชอบเล่นกันน้ะแชร์ฉมดชมอยเลยเล่นแชร์แล้วมีความสุขตอนเปียได้หลังจากนั้นไม่มีความสุขก่อนจะเปียอยากจะอยู่นานๆจะได้ดอกเบี้ยเยอะๆอยู่นานก็กลุ้มใจตัวคนอื่นโกงนะเพรถ้าเปียได้ก่อนได้เงินมาแล้วก็อยากโกงคนอื่นอีกขี้เกียจสรงนะดูความสุขแนละ้วสั้นจุดจืเลยความสุขมีนิดเดียว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 เหมือนวิ่งไล่จับความฝันหรือวิ่งไล่จับเงาของตัวเองนะจับเหมือนจะจับได้แต่ก็ไม่เคยได้สักทีความสุขนะเหมือนภาพหลวงตาเหมือนพยับแดดเหมือนความฝันเหมือนเหมือนจะจับได้แล้วก็ไม่เห็นมีสักทีนะสลายตัวไปอย่างรวดเร็วทุกทีเลยเมื่อถ้าเรามาคอยสังเกตที่จิตใจเราก็จะเห็ น, นทุกอย่างในใจเราเนี่ยนะไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกจะดีหรือจะชั่วนะทุกอย่างนี้ชั่วคลาวไปหมดเลย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 ว่ามันคือตัวทุกข์ความอยากมันทําไมเนี่ยถ้ามันถึงขนาดนี้นะใจมันจะพ้นจากความปลูกแต่สิ้นเชิงในยเป็ิสราอย่างแท้จริงนะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนหรอกงันรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ล่าสมุทยัยคือล่าความอยากมันนั้นล่าสมุทัยได้เมื่ อ, อไหร่นะก็แจ้งนิโรธมันนั้นนิโรธหรือ น, นิพพานมนะันคือสภาวะที่สิ้นตัญหาอย่าไปเชื่อเขานะในิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งนะนะนั่นเขาหลอกเด็กนั่นเป็นนิมิตทั้งหมดแหละพนะพุทธเจ้าไม่เคยสอน บางคนมันบอกว่าคนที่สอนนี่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกอไปโนอนหนึ่งมันเฟี้ยนหนักก็แล้วนั่นนะนี่พานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัญหาสิ้นความอยากสิ้นความปรุงแต่งสิ้นความยึดถือในธาตุในขันสิ้นทุกน ะ, นะแต่ถ้าเมื่อไร่รู้ทุกเมื่อนั้นจะหมดความอยากเมื่อไรหมดความอยากเมื่อนั้นแหละสัมผัสนิพพานเมนื่อไรสัมผัสพรนิพพานเมื่อนั้นแหละอริยมรรคเกิดขึ้นในขณะนั้น การรู้ทุกข์ละสมูทัยแจ้งในนิโรธหรือนิพานการเกิดอริยมรรคเนยเกิดขึ้นพร้อมๆกันจิตของอริยศาสตร์สี่ข้อนนทำเสร็จในขณะจิตเดียวกันนี่คือความอัศจรรย์นะอัศจรรย์จนนึกไม่ถึงเลยมันเป็นไปได้ยังไงหน้าที่ตั้งสี่ข้อนนทุกหน้าที่ต่อทุกคือรู้หน้าที่ต่อสมูทัยคือละหน้าที่ต่อนิโรธคือทําให้แจ้งหน้าที่ต่อมรรคคือทําให้เจริญทําหน้าที่เสร็จในขณะจิตเดียวกันนนะะ เพราะฉะหน้าที่เราตอนนี้นะก็คือหัดรู้ทุกไปด้วยจนกระทั่งจิตมันรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งนะมันจะละสมุทยัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคในขณนะนั้นเลยแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเนะี่ยไม่ต้องรักษาจิตอีกแล้วจิตนั้นจะเข้าสู่สภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกแล้ะจะไม่ทุกข์อีกละฝึกนะตั้งออกตั้งใจเรียนไปถ้ายัางฟังเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องไปฟังซีดีหลวงพ่อไปไหนก็มีซีดีนะแจก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 นมันส ก, การครับหลวงพ่อครับปัจจุบันนี้ก็คือถือศีลห้านะครับแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์สักสกักสองสามนาทีแล้วก็เดินจงกรมประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเช้าเย็นนะส่วนในชีวิตประจำวันก็อาตามพุธโธครับผมนับพุโทโธหนึ่งถึงพุโทโอพันนะฮะแล้ว ก, กลับมานั่งนับนับหนึ่งใหม่โอเก่งนะตอนหลวงพ่อเด็กๆนับแค่ร้อยแต่นับร้อยแล้วเริ่มใหม่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 เวลาที่เหลือไปเรียนหนังสือไปทํางานไปทําอะไรอีกต้องเกิดครึ่งเหลือไม่ถึงหนึ่งในสามหนึ่งในสามที้เอาไว้หลงซะอีกนะงั้นแทบไม่มีเวลามีสติห อ, อกครับก็จะเรีนดําเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเดินปัญญาบ้างหรื อ, อยังจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้ถึงเต้น เ, เออตอนนี้บังคับอยู่ดูออกไหมอ๋ออ๋อคระไม่เป็นธรรมชาติ จิตตอนนี้ถึงฐานไหมดูออกไหมไม่ไม่น่าถึงไม่ถึงนะไม่ถึงคือไม่ถึงนอย่าไม่น่าถ้าจิตไม่เข้าฐานนีไม่เดินวิปัสสนาจริงหรอกสมาธิไม่พอะจิตมันกระจายเจ้าออกข้างนอกถ้าจิตจ้าอยู่อย่างนี้นะมีแต่ความสุขมันจะมีความสุขแล้วมีความสุขอยู่เรื่อยๆไหมใช่ถ้ามีความสุขแล้วค้างมีแต่ความสุขเนะไม่ได้แล้วนะจิตไม่เข้าบ้าน ลองหายใจนะเอาความรู้สึกตัวจับไปที่ลมหายใจแล้วหายใจกลับเข้ามาเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามาเออเนี่ยไม่เหมือนกันดูออกไหมดูออกเอออยาให้มันกระจายออกนอกนะกระจายออกข้างนอกมันจะมีแต่ความสุขมันไม่เดินปัญญาหรอกรู้สึกไหมมันทุกข์เดี่ยพอกลับเข้ามาดูกายดูใจเท่านะั้นมันคือตัวทุกข์เลยแต่อย่า<ม>ดันไว้แรงนะถ้าดันแรงนี่จะอึดอัดเกินไปเพียง<ม>แต่แค่ว่าไม่ให้ออก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 ถ้าพุทโทแบบนี้จะเดินปัญญาที่หลวงตามหาบัวบอกว่าท่านพุโทโธถ้าแต่ต้นจนจบท่านพุโทโธแบบเดินปัญญานะไม่ได้พุโทโธให้ใจนิ่งถ้าพุโทโธล้วก็คงนิ่งว่างสว่างอันนี้สมบักิใจตองข้าวบ้านขอบคุณน่านหลวงพ่อครับนมมสกายครับหลวงพ่ อ, อวันนี้มาคนเดียวครับก็ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางของเดินคนเดียวนะเขาเรียกเอกกายานุมัต <laughs> ิมั้นมาคนเดียวก็ถูกแล้ว <c oughs> ครับส่วนใหญ่ก็มามาร์กจะได้ถามหลวงพ่อก็ไม่รู้ทาไมครับก็แบบถ้าได้ถามมาประมาณเจ็ดในสิบเจ็ดครั้งจากสิบครั้งนะครับแต่ว่าก็เจอหลวงพ่าตั้งแต่ ต, ตอนมห้าตอนนี้ก็ผ่านไปห้าหกปีแล้วครับ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 หลวงพ่อมากนะฮะก็ผมติดตามอ่านหนังสือของหลวงพ่อมาเกือบบทนะฮะแล้วก็รู้สือก็มีความศิัย์รานะครับแล้วก็ถึงจะถามเรื่องเกี่ยวกับกา ร, รบิดาธรรมนะครับตามที่ผมอ่านหนังสือผมท่านมาผมอ่านมาหลายเที่ยวกาคือคือการมีสตรริรู้ใจรู้กายผมก็รู้อยู่ทุกวันเนี่อนะ่านะนะ ผมไม่ทราบว่าคุณพู้ที่ถูกตรงหรือเปล่าครับของโยมนะมันจะมีปัญหาตัวหนึ่งคือปัญญาเนี่ยมันแก่กล้ามากต้องรู้โง่โงนะ <c oughs> รู้รู้โง่โงรร่รู้ซื่อซื่อรู้รู้อย่างที่เป็นเป็ๆของโยมเนี่ยรู้รู้แล้วมันรู้รู้นำไปอย่างมันบางทีมันก็มองไตรลกักษมองอะไรนะ <c oughs> บางทีบางทีคิดไตรักก่อนนะเราใช้วิธีรู้ตรงๆไปเลยนะ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 แค่นั้นก็พอแล้วเพราะว่าความจริงมันต้องปรากฏนะว่าความรู้สึกทุกชนิดเกิดเราดับทั้งสิ้นเราไม่ถ้าเข้าไปแทรกแสงเราไม่สรุปองค์ความรู้เราพอนานะเราดูของจริงลงปัจจุบันเราไม่สรุปองค์ความรู้เลยนะต้องใจกล้าขนาดนั้นนะไม่กลัวโง่ตอนนี้ผมปฏิบัติมีมีสติรู้กายรู้ใจลราติดผลตื่นขึ้นเอย่งครบ ตื่นนะแต่ตื่นเป็นปกติแหละคือมันตื่นแรเป็นแรงไปมอัคซา้อ รผรรมะขท่านน่ยทุกวันนะทุกทุกคืนอคือว่าถือเป็นงานหลักเลยฮะมันไม่ใช่งานงานเงินรองเพราะว่าผมก็ประสบเสียนแล้วคือของโ <ผม S 1> ยมนะผ ม, ผมผมตั้งใจที่จะมาถามท่านคือว่าผมผมไม่เคยฟังเทศจากท่านมาสดๆฟังแต่เทปกับอ่านหนังสือได้เยอะมาก อ, อ่านทุกคืนอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอีอกจนฟังเทศจากท่านนี่รู้สึกว่า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 รู้สุกแรงไปดีกว่าที่จะไม่รู้สึกเลใช่ดีกว่าดีกว่าไม่รู้สึกนะแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่มาปฏิบัติธรรมใช่มันจริงจังไปมันมันจริงจังไปใช่มันจริงจังไปไอ้การจริงจังไปนี่มันเป็นผลดีมันก็ต้องผลดีก็คือเราไม่ตกไปส่วบ่ายแน่ไม่ไปบ่ายแน่ไม่ไปบ่แน่แต่ผลเสียคือไม่ค่อยยอมดูรูปนามจริงหรอก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 ผมก็ ร, รู้ว่าตายและใจนี่นเปใจของเราย่างนี้เห็นไหมใจมันอยากพูดเมื่อกี้มันอยากพูดมแล้วใจมันก็กระโจนไปในโลกของความคิดในขณะนั้นเราขาดสติละนะเรามีกายลืมกายมีใจลืมใจเราไปอยู่ในโลกของสมมติบัญญัติเพราะอะไรเพราะเราจริงจังเวลาคิดก็คิดอย่างจริงจังมันก็ทำให้เราหลุดออกจากการรู้สภาวะ ไมเพราว่ามันตึงไปใช่ไหมใช่ความคิดมันมาปิดบังนะมันลากเราไปแล้ต้องอดลงมาหน่อยนึงให้รู้ทันก็ให้รู้ทันให้รู้ทันมันอย่าไปห้ามมันนะให้แค่รู้ทันลดการแยกกายแยกใจนี่ชัดเจนไหมจิตใจขนาดนี้กะตะกี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตน้ตนต้นสบายขึ้นใช่นี่แหละที่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันเป็นนี้รู้สึกไหมมันเบิกบานมันเบิกบานใช่เบิกาน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 แค่โยมแยกสภาวะที่รู้ถูกต้องล้วนะรู้เปิดละต่อไป น, นี้รู้รูปนามแสดงใจหลักรู้ได้ใจที่สบายอย่างนั้นนะแล้วผมขอถามพ่อหน่อยว่าการแยกกายแยกใจการแยกย ก, กายแยกใจในของผมพอรู้แยกแยกได้หรือยังมันแยกแต่ว่าพอแยกแล้วตัวรู้เนี่ยมันแข็งไป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 เมื่อกลับมารักการของพ่อครับเมื่อประมาณสิบเดือนที่แล้วได้ไปมีโอกาสไปส่งกานบ้านของพ่อครับหลวงพ่อบอกว่าเพ่งไปให้การดีแล้วครับดีกว่าเก่าเยอะแล้วดูออกเปล่าใจมันคลายออกตัวออกแล้วละคือตอนตอนเนี้ยก็คือเหมือนว่ารู้ลมหายใจเข้าออกะครับแล้วเหมือนว่าใจหนีไปคิดก็รู้ว่หนีไปคิดแต่ว่าพอหนีไปคิดปุ๊บก็จะเหมือนว่ากลับมาแล้วมัหนุนมันเพ่งๆลงไป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 แล้วตอนในชีวิตประจําวันเนี่ยก็เหมือนว่าคือจะจะรู้สองอย่างหลกัหลกๆเหมือนว่าเราจะรู้ว่าคิดเหมือนเผือไปคิดกับรู้ว่ากายทําอะไรประมาอย่างนี้เท่านั้นพอแล้วละ่ะพอแล้วครับแล้วตอนนี้ผมเริ่มทําเป็นหรื อ, อยังใช่เห็ น, นไหสมาธิยังไม่พอแต่ยังฟุ้งเก่งอยู่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมครับหาเครื่องอยู่หให้จิตอยู่นะเช่นท่องพุโทโธพุโทโธไม่มีอะไรทําก็พูดโธไปอย่างนี้แล้วค่อยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไป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 ของเก่ามันกลับมาค่ะหลวงพอ่อแล้วทีนี้มันก็เลยเข้ามารวมกับของใหม่ที่ทํามาในชาติเนี้ยค่ะอืทีนี้มันก็เลยเหมือนกับตอนนั้นหนูก็งงอยู่แป๊บนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจิตหนูอะคะตอนนั้นนะคะแล้วทีนี้มันก็อยู่ๆมันก็เกิดความเข้าใจโลกมากขึ้นจากที่เคยเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงเรื่องภาวนา ในส่วนที่เคยเข้าใจอยู่แล้วก็เข้าใจมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอยู่มันค่อนข้างก้าวกระโดดมากดูขณะนี้รู้สึกไหมมันยังมีความเป็นเราเหลืออยู่ยไหมมีน ะ, นะเพะงันก้าวกระโดดตัวนี้ยังไม่ถึงสวดาปฏิมร์นะใช้ได้ดีรู้ทราบว่ายังไม่ถึงค่ะเาะว่าที่มันกลับมามันกลับมาใช่ไหมคะ นิยมคือหนูก็อึ้งอึ้งแบบแบบหนึ่งแบบช่างมันนะเราแค่รู้อย่างที่เขาเป็นดูสบายสบายไปแล้วเหมือนจิตดวงนี้ที่มันกลับมามันคือมันคือคล่องแคล่วสว่างแล้วก็ฉลาดด้วยค่ะแตอย่าไปเชื่อมันนะอย่าไปเชื่อมันใช่ไหมเออล้วแค่ดูเห็นมันไม่ใช่ตัวเราไปไม่ต้องรักษาไม่ต้องสงวนไว้ะเห็นแต่มันทํางานได้เอง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 แค่รู้สึกอย่าไปดูมันนะห้ามเด็ดขาดเลยถ้าดูตัวดูเนี่ยไปติดสมถาแบบนี้แก้ยากครับแแก้ได้ไครับแก้ได้สิไม่มีอะไรเที่ยงหรอกนี่ถ้าเรารู้หลักแล้วว่าตัวรู้นะก็แค่ว่ามีอยู่สักว่ามีอยู่อย่าไปจ้องใส่มันนะก็แค่ว่ามันมีอยู่เมื่อเห็นรูปนามแยกออกไปแล้วก็เห็นรูปนามแสดงใจลักไป ถ้าจิตเกิดยินดีรู้ทันจิตเกิดยินร้ายต่อรูปนามต่อสภาวะทั้งหลายก็รู้ทันมันไปนะอย่าไปดูตัวดูนะวรสการหลวงพ่อครับปฏิบัติได้มาหนึ่งปี่ะถูกแล้วก็ทำให้มากขึ้น <c oughs> ใช่ไ <c oughs> หมใช่อีกคำถามอยางสอมเรื่องแหย่ตาครับเออว่าไงใช้วิธีนึกเอานะนึกเอาก่อนนึกเอานะ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 มมกก ข, ขันแยกเ <บน S 2> ก่งนะขันมันแยกหมดเลย น, กกนัน่งว<ม>่างมาก็มาปรมาปีหนึ่งแล้วครับตอนนี้จิตถึงเต้นมากครับอื<ม>ก็วันวันก็นั่งสวดมนต์นสมาธิบ้าง น, นะครับผ ม, มเห็นร่างกายเดินเคลื่อนไหวเห็นจิตโกรธโลกรถถอยๆฮะรู้พอรู้แล้วว่ามันก็ทุกตลอดเวลา<ม>จริงๆห้ามมันไม่ได้หรอกนะก็ไม่รู้จะทำยังต่อทําไม่ได้ทําไม่ได้รู้อย่างนี้นะรู้นใจมันพอ ทำอะไรไม่ได้พุทธเจ้ายัางสอนอย่างนี้นะ่าดูพระภิกษุทั้งหลายไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกจิตเป็นไปเองนะ้เมื่อศีลสมาธิปัญญามันแก่กล้าพอการที่เราฝึกอยู่ทุกวันเนี่ยมันทําให้ศีลสมาธิปัญญามันค่อยๆแก่กล้าขึ้นนะแล้วเขาเป็นไปเองต้องทำอะไรต่อทําอย่างนี้แหละควรจะดูจิตจะดูกายรับดูจิตนะรเราใช้เอาความคิดออกคครับ นกรารแต่เวลาเวล า, เวลาถ้าราคามันแรงอะไรเงี้ยดุ ก, ก่ายด้วยก็ได้นะอคือคือว่าทำส่งกันบ้านหนแรกค่ะทำมาประมาณสองปีครึ่งสองปีครึ่งได้อย่างนี้ก็เก่งแล้วเธอคือเป็นนโทสะแรงมากบางทีจะเห็นเลยนิดนิดึงมันต่มาแล้วอะไรเงี้ยไม่ห้ามนะไม่ห้ามเลยนะเราไม่ได้ไม่ได้ไไดออห้าจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะ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 ปีสู่ทั้งหลายเธอจงดูโลกอันวิจิตดุจราชรทรงของพระราชาแล้วสมาธิพอมันการเป็นคนไม่ค่อยยันสมาธิน้อยสมาธิน้อยนะฟงเนี่ยฟงเก่งนะถ้าฟงอย่างนี้ต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ได้เวลารู้ลมหายใจก็อย่าไปบังคับให้จิตนิ่งนะครับกราบนรรมัรการหลงพ่อครับ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 ใจร้อนไปนิดเดียวไปทำแป๊กทำถูกแล้วละขอบคุณมากครับแต่ขณะนี้จิตไม่ถึงฐานนะดูออกไหมถ้าดูออกก็ไม่เป็นปัญหาอ่ะนำมัสกานค่ะหลวงพ่อมีมีสามคำถามอยากถามหลวงพ่อเจ้าค่ะก็คือคำถามแรกนี่คือเป็นเป็นสิ่งที่หนูติดอยู่แล้วก็ไม่สามารถทำต่อไปได้ะคะ่ะก็คือเมื่อกุมภา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 หมุนรอบตัวเองอะค่ะเพื่อเพิ่มสติขึ้นค่ะรู้สึกตัวให้แรงขึ้นหน่พ่อหนูรู้สึกว่าพ่อหนูบอกว่าอุเบกขาปุ๊บมันยิ่งหมุนแรงขึ้นไ ป, อ, อ, ไปอีกอะคะ่ะเรื่้งนั้นยิ่งไปทําสมาธิเอาสติเอาสติแล้วคือมันออกมาจางร่างกายด้วยอะค่ะคือเหมือนกับว่ามันมันจะอาเจียนตอนนั้นเลยแล้วมันก็เวียนหัวคือออกจากสมาธิคือมันสู้ไม่ได้จนแบบโอเคพอเราออกถอนสมาธิเลยแ ล, แล้วก็แล้วก็ออกมามันก็ยังไม่ไม่หายอะค่ะ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 น่าเห็นเนี่ยร่างกายหายใจเห็นร่างกายยิ้มนะรู้สึกเปสบายสบาย๋ย่ไปเก็บเก็บเก็บเก็ บ, เ, กบเพราะว่าอัดมากนะเครียดมากนะใจมันก็ดิ้นเลยเอาใหม่ทำมํำไมเอออย่างเนี้ยไม่ดิ้นเท่าไหร่หรอกอ่ะมีอีกไห ม, ไมหม อ, อนยังยังไม่หมดนะทีนี้พอก็ไปปรึกษาที่คนหนึ่งเขาก็บอกว่ามันติดสมาธิมากเกินไปใช่ใ<ห>สมาธิมันล้ําหน้า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 แล้วก็ดูไม่ใช่เพื่อละเวทนาแต่ดูจนกรทั้งเห็นว่าเวทนาก็ไม่ใช่เราดูอย่างนั้นถือจะใช้ได้ทำไมเรามีปัญหาอะไรดูเวทนาเก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรคือคือเคยทำปัญหามันอยู่ที่สมาธิมันล้มไปสติมันไม่ทันนะทำไมสมาธิมันล้าเพราะว่าไปน้อมจิตเท่าไปมากไปอย่าไปน้อมจิตคนปฏิบัติแล้วนั่งสมาธิแล้วผิดเนี่ยนะ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 ไม่ว่าเราติดปัญหาอะไรถ้าเขาเคยเรียนเคลื่อนไหวมาเขาก็จะบอกเราให้เคลื่อนไหวเท่านั้นถ้าเรานิ่งไปเขาบอกให้ไปเคลื่อนไหวะถ้าเราฟุง้งซ่านมากเขาบอกไปเคลื่อนไหวเนะก็มีคําตอบเดียว อ, อีกอีกคําถามหนึ่งนะคะคือเมื่อก่อนนะคะจะรู้สึกว่าเวลาแผ่เมตตาแล้วมันแล้วมันแผ่ไปจริงๆริะคะ่ะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่า <laughs> รู้สึกว่ามันมันไม่มีเมตตามันจะมีเมตามเมตา <laughs> อะไรมีแต่โทสะ <laughs> จิตมันยังมีแต่โทส ะ, ะไม่มีเมตตาจะแผ่หรอก ใ, ให้รู้ทันลงไปเมตตาตัวเองก่อนหลักของการเมตตานะแผลเมตตาให้ตัวนี้แหละตัวนี้ลําบากแต่อย่าน้อมจิตให้ซึมหมดหรือยังหมดแล้วนะ ใ, ให้พรหน่อยนะน ย, นะยาถาวาริวหาปูราภริภูเรนติสาคารัง เอวามีวายตที so ่นางเปตานางอุปกปติอ so ิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉุตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถาสพีติโยวิวัชฉันตุสพรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยกูภวะ อาภิวาทานาสีลิสนิจังุทธาปจายิโนจตารธรรมาวทันติอายุวันโนสุขขังพระลังพาวนานะจะได้มีความสุขกันโลกตี้มีแต่ทุกข์นะ